ส่วนแง่ที่ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจพิเศษหรือแปลกจากกันพอสรุปได้ดังนี้ 1. หลักทรรทั้งสองเป็นการแสดงความจริงในรูปแบบที่ต่างกันด้วยวัตถุประสงค์คนละอย่างปฏิจจสมุปบาทแสดงความจริงตามกระบวนการของมันเองตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติล้วนๆอริยสัจเป็นหลักความจริง ในรูปแบบที่เสนอตัวต่อปัญญามนุษย์ในการที่จะสืบสวนคนว้นคว้าและทำให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยนยะนี้อาริยสัจจึงเป็นหลักธรรมที่แสดงโดยสอดคล้องกับประวัติการสแสวงหาสัจธรรมของพระพุทธเจ้าเริ่มแต่กา ร, รเผชิญความทุกข์ที่ปรากฏเป็นปัญหาแล้วสืบสาวหาสาเหตุพบว่ามีทางแก้ไขไม่หมดหวัง จึงกำหนดรายละเอียดหรือจุดที่ต้องแก้ไขและกำหนดเป้าหมายให้ชัดแล้วดำเนินการแก้ไขตามวิธีการจนบรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้นและโดยในยะเดียวกันจึงเป็นหลักธรรมที่ยกขึ้นมาใช้ในการสั่งสอนเพื่อให้ผู้รับคําสอนทําความเข้าใจอย่างมีระเบียบมุ่งให้เกิดผลสําเร็จทั้งการสั่งสอนของผู้สอนและการประพฤติปฏิบัติของผู้รับคําสอน ส่วนปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวกระบวนธรรมแกนกลางของอริยสัจและเป็นเนื้อหาทางวิชาการที่จะต้องศึกษาในเมื่อต้องการเข้าใจอริยสัจให้ชัดเจนถึงที่สุดจึงเป็นหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาทบทวนหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆ 2. ข้อที่แปลกหรือพิเศษกว่ากันอย่างสำคัญอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระ ซึ่งตรงกับอริยสัจข้อที่สมและสอันได้แก่นิโรธและมรรคกล่าวคือข้อก่อเมื่อเทียบกับอริยสัจข้อสคือนิโรธจะเห็นว่าปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาระกล่าวถึงนิโรธด้วยก็จริงแต่มุ่งแสดงเพียงกระบวนการเข้าถึงนิโรธไม่ได้มุ่งแสดงสภาวะของตัวนิโรธหรือนิพานเองด้วยเหตุนี้ในพุทธดาริเมื่อจะทรงประกาศธรรม จึงแยกธรรมที่ทรงพิจารณาเป็นสองตอนคือตอนแรกกล่าวถึงปฏิจจสมุปบาทอย่างข้างต้นต่อจากนั้นมีพุทธดำริต่อไปอีกว่าแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปาิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานนี้แสดงว่า ทรงแยกธรรมที่ตรัสรู้เป็นสองอย่างคือปฏิจจสมุปบาทกับนิโรธหรือจะกล่าวว่าปฏิจจสมุปบาทกับนิพพานก็ได้ส่วนอริยสัจข้อที่3คือนิโรธมุ่งแสดงตัวสภาวะของนิโรธเป็นสำคัญแต่มีความหมายเล็งไปถึงกระบวนการเข้าถึงนิโรธแฝงอยู่ด้วยข้อข อ, ขอแม้ว่าปฏิจจสมุปบาทฝ่ายนิโรธวาระ กินความรวมถึงอริยศัสตร์ข้อ4คือมากด้วยแต่ก็ยังไม่ให้ผลในทางปฏิบัติชัดเจนเพราะปฏิจจสมบบาทแสดงแต่ตัวกระบวนการลนล้วนตามที่เป็นไปโดยธรรมชาติเท่านั้นมีได้ระ บ, บุลงไปให้ชัดเจนว่าสิ่งที่จะต้องทำมีรายละเอียดอะไรบ้างจะต้องทำอย่างไรกระบวนการอย่างนั้นจึงจะเกิดขึ้นมีลาดับขั้นการปฏิบัติอย่างไร โดยเฉพาะกลวิธีต่างๆในการกระทำคือไม่ได้จัดวางระบบวิธีการไว้โดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติอย่างได้ผลเหมือนแพทย์รู้วิธีแก้ไขโรคแต่ไม่ได้สั่งยาและวิธีปฏิบัติในการรักษาไว้ให้ส่วนในอริยศาสตร์มีหลักข้อที่4คือมัคซึ่งจัดขึ้นไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในทางปฏิบัติของมนุษย์โดยเฉพาะให้เป็นสัจจะข้อหนึ่งต่างหากในฐานะข้อปฏิบัติที่พิสูจน์แล้ว ยืนยันได้ว่านำไปสู่จุดหมายได้แน่นอนอริยศัสตร์ข้อที่4คือมรรคนี้แสดงหลักความประพฤติปฏิบัติไว้อย่างละเอียดกว้างขวางพิสดารถือว่าเป็นคำสอนในภาคปฏิบัติหรือระบบจริยธรรมทั้งหมดของพระพุทธศาสนาเรียกว่ามัชฉิมาปฏิปทาคือทางสายกลางหรือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆ เมื่อเทียบหลักอริยสัจกับปฏิจจสมุปบาทถือว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชฌีณาธรรมเทศนาคือหลักธรรมที่แสดงเป็นกลางๆหรือธรรมสายกลางตามที่ธรรมชาติเป็นอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันครอบคลุมอริยสัจสามข้อแรกส่วนอริยสัจข้อที่ 4. มักเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางสาหรับมนุษย์ที่จะปฏิบัต เพื่อให้ผลเกิดขึ้นแก่ตนโดยเป็นไปตามธรรมดานั้นเป็นเรื่องส่วนพิเศษซึ่งท่านจัดแถมให้รวมความว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ที่เป็นหลักใหญ่มีสองนัยยะคือปฏิจจสมุปบาทและนิพพานกับอริยสัจสี่ทั้งสองนัยยะว่าโดยสาระแล้วเป็นอันเดียวกัน แต่พิจารณาต่างแง่กันคือหนึ่งปฏิจจสมุปบาทและนิพพานตรัสในคราวปรารภที่จะทรงเริ่มประกาศธรรมว่าสิ่งที่ตรัสรู้ลึกซึ้งยากยิ่งนักที่สัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจการตรัสในแง่นี้หมายความว่าปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นส่วนเนื้อหาสาระของการตรัสรู้หรือพูดให้สัมพันธ์กับนัยยะที่สองว่า เป็นส่วนแก่นแท้ของอริยสัตว์เป็นด้านธรรมชาติและธรรมดาของมันเป็นตัวแท้ๆลว้ลวนของธรรมซึ่งเข้าใจได้ยากอย่างยิ่ง 2. อริยสัตว์สตรัสในคราวทรงเล่าลำดับแห่งการปฏิบัติจนตรัสรู้ของพระองค์เองและในคราวทรงแสดงธรรมสั่งสอนผู้อื่นเริ่มแต่ในปฐมเทศนาการตรัสในแง่นี้หมายความว่า อริยสัจวี 4, คือธรรมที่ได้ตรัสรู้ทั้งหมดซึ่งปรากฏในรูปลักษณะที่จัดเข้าลำดับเป็นกระบวนการขั้นตอนโดยคำนึงถึงความสามารถที่จะเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์เพื่อมุ่งให้สอนเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้ผลพูดอีกอย่างหนึ่งปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเป็นแต่ธรรมล้ว น, วนตามธรรมชาติส่วนอริยสัจสคือธรรมในรูปที่มนุษย์จะเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือที่นําเสนอในเชิงที่เอื้อต่อความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์พร้อมนั้นก็พูดได้ว่าอริยสัจสี่คือธรรมทั้งหมดมีจุดซึ่งเป็นแก่นแท้เข้าใจยากที่สุดอยู่ที่ปฏิจจสมุปบาทและนิพพานเท่านั้นถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทและนิพพานแล้วก็เป็นอันเข้าใจพุทธธรรมทั้งหมดคือรวมทั้งอริยสัจสี่ด้วย